ก็แปลว่ามันก่อความรู้สึกได้แรงพอซึ่งฝันแบบนี้แหละที่มีระดับเหนือกว่าความฟุ้งซ่านทั่วไปลองถามตัวเองดูว่าคนสิ่งของหรือสถานการณ์ไหนในฝันที่มีความสาคัญทางใจที่สุดดูเป็นจริงเป็นจังที่สุดจากนั้นค่อยๆคิดค่อยๆเทียบเคียงว่านั่นเป็นเครื่องหมายแทนความรู้สึกแบบใดในขณะที่คุณกาลังลืมตาตื่นอยู่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 ถ้าฝันเห็นตัวเองกับคนรักยืนอยู่ข้างสารพระภูมิหรือไปเที่ยววัดใหญ่โตงดงามแล้วบังเกิดปิติเกิดความรู้สึกดีงามนั่นอาจเป็นนิมิตมาเตือนว่าเคยร่วมบุญร่วมกุศลมาด้วยกันเยอะทำไมต้องทะเลาะเบาแววงก่อบาปก่อกุศลให้กันและกันด้วยเราขอให้สังเกตถือว่าคู่รักมักไม่ฝันทานองนี้เวลาดีๆกันแต่ดันไปฝันเอาตอนกาลังตีกันจะตายเส น, นั่น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 ตัวคุณคือความรู้สึกลงยึดอะไรอย่างหนึ่งชั่วคราวตัวคุณคือกรรมทางความคิดกรรมทางวาจารกรรมทางกายที่เกิดขึ้นโต้ตอบกับสถานการณ์หนึ่งหนึ่งเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนได้เรื่อยๆกรรมก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆและเมื่อกรรมเปลี่ยนได้เรื่อยๆตัวตนก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆเช่นกัน